ก่อนที่หลวงพ่อจะเล่าที่ทานให้ลูกเด่นฟังเนี่ยขอถามลูกเด่นอีกครั้งหนึ่งประจําได้ไหมเมื่อครั้งกันแล้วอะ่ะเด็กดีมี5้าอย่างมีอะไรบ้างอ่ะลองตอบหลวงพ่อก่อนตอบพร้อมกันนะพี่เลี้ยงจะได้ชื่นใจด้วยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวป้่าตามหลวงพ่อนะหนึ่ง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สองเป็นสิ์ที่ดีของอาจารย์สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนสี่เป็นพลเบือมงที่ดีของชาติ ห้าาเป็นสาวกที่ดีของพระศาสาาดาวันนี้หลวงพ่อจะเล่านิทานเกี่ยวกับสัตว์ให้ลูกเนฟังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยมีข่าวแม่ไก่ถูกไฟคอกตายขระกกไข่อยู่แม่ไก่เนี่ยหนีหนีได้นะไฟธรรมดาพอกไม่ได้หรอกแต่แม่ไก่ห่วงลูกไงรักลูกก็เลยยอมตายตายพร้อมลูกก็แหละไข่ไข่ก็ไหม้หมดอะ ตัวแม่ไก่เองก็ไหม้ด้วยเสียหละชีวิตข่าวนี้ก็จะคล้ายงูเหลือมอ่ะงูเหลือมเมื่อก่อนก็เห็นอยู่สองตัวก็หวงไข่ไม่ยอมหนีเหมือนกันไม่ยอมทิ้งลูกก็ถูกไฟเผาตายทั้งคู่เลยทั้งที่งูเหลือมหนีได้เมื่อกี้ก่อนที่หลวงพ่อจะมาทําวัดเนี่ยก็ได้ช่วยจิ้งเหลอยู่ตัวนหนึ่งในคอหารซ่วมจิ้งเหล่พย า, ายามจะขึ้นจากคอหานขึ้นไม่ได้หลวงพ่อช่วยดันพอดันขึ้นเขาก็วิ่งหน้าตะตื่น รอดชีวิตได้ช่วงนี้ทุกที่จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอาจจะเดือดร้อนมากเรื่องน้ําอย่างที่กู๋หลวงพ่อเนี่ยจะมีน้ําให้นกกินจะเติมน้ําตลอดนกกระลอกเนี่ยจะใสยน้ําที่กู๋เนี่ยประทังชีวิตช่วยสัตว์ก็ช่วยเราเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เมื่อประมาณเกือบๆ40ปีนะสบายนู้นยุคที่ยังมีคอมมอนนิสต์อยู่เนี่ย ป่าไม้ในประเทศไทยก็กอุดมสมบูรณ์ตามป่าเนี่ยก็จะมีลิงมีเก้งมีกวางมีหมูป่าแล้วก็มีสัตว์อยู่มากมายจะไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ป่าไม้ก็หมดไปถูกตัดเยอะเมื่อก่อนพวกที่หนีหนีภัยการเมืองก็ไปอยู่ป่ากันมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าหมูก็ไปอยู่ป่ากับเพื่อนห่าหคน แล้วก็ผัดเวรกันหาอาหารในหมูเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินแกงลิงมากเลยเพราะแกงลิงอร่อยวันหนึ่งก็ถึงคิวที่ต้องออกไปหาอาหารแกก็ถือปืนไปตามล่าลิงอ่ะเพื่อจะมาทำแกงเดินไปสักพักนึงก็เจอลิงอยู่บนต้นไม้หันหลังให้ในหมูก็เล็งเหน็นระยะนี้ไม่น่าพลาดก็ยิงตู้แต่ก็แปลก ลิงไม่ยอมตกต้นไม้ในหมูก็งงเอ๊ะเพราะเหตุใดเพราะระยะ น, นี้ไม่ผ่านแน่เพราะในหมูเนี่ยยิงปืนมันมากระหว่างที่สงสัยอยู่นะไปลิงไม่ยอมตกลิงก็ร้องโหยหวนขึ้นด้วยเสียงอันดังร้องแบบสุดเสียงอะ่ะลิงที่อยู่ในรั้วแฝกใกล้เคียงนะกูกูกันเข้ามาหาพอมีลิงมาใกล้ๆเนี่ยลิงตัวนั้นก็โยนวัตถุ ด, ดําๆให้ แล้วลิงก็ตกต้นไม้ลงมาตายในหมูตกใจมากเพราะไม่เคยเหตุการณ์นี้มาก่อนจึงวิ่งเข้ามาดูลิงที่ตกต้นไม้ก็เห็นเน่าของลิงเนี่ยมีเลือดไหลแดงฉานแล้วเมื่อกี้ที่โยนไปเนี่ยคือลูกลิงเพราะว่าลิงเนี่ยกำลังกินกนมแม่อยู่แล้วด้วยความรักลูกเนี่ย แม่ลิงตกต้นไม้ก็ไม่ได้ถ้าตกต้นไม้ลูกลิงก็อาจจะตายด้วยก็เลยอึดเครื่องสุดท้ายให้ลูกปลอดภัยก่อนก่อนที่ตัวเองจะหมดสติพอลูกปลอดภัยแล้วถึงตายได้อันนี้เขาเรียกว่าหน้าดีของแม่ที่รักลูกรับผิดชอบลูกจนนาทีสุดท้ายในหมูเนี่ยสะเทือนใจมากตนเองเป็นคนใจแข็งนะ่าสัตต่ชีวิตมากมายเปคนใจหินใจทมินเนี่ยสงสารลิงแม่ลูกอ่อน รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำลายความสุขของลูกลิงขนาดที่กำลังดื่มนมอย่างมีความสุขคือพาคลูกพากแม่น้ำตาของบุรุษผู้ใจเหี้มโหดก็ไหลคอเป้าสักพักหนึ่งในหมูก็กลับบ้านไปแล้วก็ปื น, นไปเผาไฟแล้วก็ให้สัญญาตัวเองว่าจะไม่ล่าลิงหรือล่าสัตว์อีกต่อไปใ้หมูคนนี้ก็คือ พงเทพกระโ ด, ดงชำนาญคิดว่าพวกลูกเน่นเนี่ยอาจจะเกิดไม่ถ่ายอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เป็นศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังรุ่นเดียวกับผู้แอสคาราบาาอะไรพวกเนี้ยพอพอตอนหลังเนี่ยแกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำผิดปุ๊บเนี่ยก็เลยแต่งแต่งแต่งเพลงลิงธโมขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจคือลิงเนี่ยก็สอนทำได้นะเปลี่ยนจิตใจจากคนโหดร้าย ให้เป็นคนมีเมตตามีอีกเรื่องหนึ่งมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งแกมีนิสัยเนี่ยชอบสะสมหัวสัตว์หนังสัตว์เขาสาัตว์วันเสาวทิตเนี่ยแกก็จะถือปืนนั่งรถไปล่าสัตว์ตามป่าต่างๆวันหนึ่งแกเห็นลูกลิงสีขาวน่ารักแกก็ถามพวกพานว่าทำไงจอลูกลิงเนี่ยไปเลี้ยงได้พานก็บอกว่าแม่ลิงอะรักลูกลิงมาก ยังไงต้องยิงแม่มันก่อนถึงจะเอาลูกไปได้ตกลงอยากให้ลูกก็เลยต้องฆ่าแม่ลิงหลังจากฆ่าแม่ลิงแล้วเนี่ยเศรษฐีก็เอาเนื้อลิงมากินแล้วก็เอาหนังลิงเอาไว้เอากลับบ้านไปด้วยแล้วก็เศรษฐีเนี่ยก็มีภรรยาก็เพิ่งจะคลอดลูกได้ประมาณสามสี่เดือนอยู่ในระหว่างให้นมลูกอยู่เหมือนกันลูกลิงเนี่ยไม่รู้ภาษีภาษาก็วิ่งเล่นสุกระหานกั บ, ก, บกับคนในบ้านนั่นแหละตาภาษาเด็กแต่แล้วพอลูกขึ้่นอีกวันหนึ่ง มีเศรษฐีขณะกําลังให้นมลูกอยู่นั้นก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดขึ้นแต่ก็ตะโกนเรียกสามีออกมาดูคือลูกลิงเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปไปดูดนมของซากซากลิงอะ่ะคือหนังอะ่ะเขาตากแห้งไว้เพราะว่าหนังหนังลิงเนี่ยยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ยังคล้ายๆว่ายั ง, ย, งยังไม่แห้งอะ่ะต้องไปตากแดดไว้ผึ่งไว้ลูกลิงเนี่ยดูดนมแม่แล้วก่อดแม่ร้องไห้น้ําตาไหลเซอะเซอื้น เศรษฐีสะเทือนใจมากแล้วคิดอยู่ในใจว่าโอ้โหถ้าเกิดมีคนมาทำอย่างนี้กับครอบครัวงเราเราจะทำไงเกิดความสลดใจแล้วก็สํานึกบาป ท, ที่เกิดที่ตัวเองทำอ่ะเอาไปภาคลูกคนอื่นทําลายครอบครัวคนอื่นเพราะเศรษฐีก็มีลูกมีเมียมีเด็กเล็กเหมือนกันจึงทําลายสร้างสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วก็นําลูกดีไปปล่อยป่าแล้วตัวเองก็เลิกล่าสัตวตลอชีวิตตอนหลังก็หันมาเป็นคนใจบุญสุนทาน ทำความดีไถ่าถาบาปรัวนึกแล้วคนเราจะมีจิตใจให้ดีอยู่อย่างลูกเนเนี่ยหลวงพ่อเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีจิตใจดีงามแต่บางครั้งอย่าทาผิดเพราะกิเลสหรือความหลงทุกคนมีเมตตาหมดไม่มีใครอยากทำชั่วหรอกแต่ถ้าความหลงเนี่ยทำคนทําชั่วทุกคนมีเมตตาเมตตามีความสงสารแล้วก็อยากให้ทุกคนดีกับเราด้วยสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เนี่ยเราสังเกตนะหมาแมวก็อยากให้เราลัก อย่เวาลาหลวงพ่อบีทบาทเนี่ยสังเกตนะหมามันมาเล่นกับเราบางทีมาหยอกเยา้าบางทีมาเกอะก็มีบางทีกระโดดเกาะเลยเขามีขวาสุดเราเป็นมิตรไม่เป็นภัยแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนจิตใจไม่ดีนะสัตว์พวกนี้จะไม่เข้าใกล้หรอกเขาจะมีขวาสุดเป็นภัยเขาจะระแวงไก่เนี่ยเป็นสัตว์ที่ระแวงมากเลยสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเขียนมีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงพ่อน่ะมักจะเอาไม้เฟี้ยงไก่เสมอ เพื่อไก่หนีไปให้กลัวคนเมื่อ ก, ก่อนหลวงพ่อก็เคยเลี้ยงหูป่าหลวงพ่อเขียนนะถ้าเคยเล่าให้ฟังเวลาคนให้อาหารหูเรี่ยเชื่องไงมันจะเข้ามาเล่นด้วยอะไรด้วยมีความเดือดคนเป็นมิตรใช่ไหมแต่หลวงพ่อรู้สึกว่าสัตว์พวกนี้เป็นอาหารมันจะเป็นอันตรายเป็นพิษต่อคนไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็โดยคนหลอกไปกินเพาราะสัตว์ไม่ทันคนอย่างไก่เนี่ยบางทีเชื่องนะมันเล่นกับคนบ้างยาหยายคนอุ้มใช่ไหมหยายคนรักที่ไหนได้ไปเจอขี้เมาเนี่ย ก็จับไปลงหลงหม้อกแกงอย่างที่วัดเนี่ยเมื่อก่อนก็มีขี้เมาเนี่ยกลางคืนเนี่ยมาหักคอไก่เอาไปแก้มเล่าก็บ่อยๆไก่ก็หายอยู่เรื่อยนั้นคนเราจะมีทั้งดีไม่ดีคนที่คิดดีก็ทําบุญคนที่คิดชั่วก็ทํำบาปและเดี๋ยเราจะเลือกแต่หลวงพ่อเขียนเนี่ยกใกล้สัตว์มีสัชยชาตญาณไงอย่าไว้ใจคนหลวงพ่อเลยดุสัตว์ไว้ก่อน ไมให้หมูลักไม่ให้ไก่ลักเพื่อเขาช่วยตัวเองได้เขาจะได้เอาตัวรอดไนงะให้มีสัญชาตญาณมีนิทานชาดกอยู่เรื่องหนึง่งมีพามอยู่คนห น, น, นึ่งพามคนเนี้ยเลี้ยลูกโคอยู่ตัวหนึง่งลูกโคตัวนี้งามสง่ามากพามเนี่ยรักเหมือนลูกเลยให้กินข้าวเลี้ยงอาหารอย่างดีแต่วัวตัวนี้มีกําลังมหาศาลชื่อว่าโคนัน เทวิสารคันโคเนี่ยโตไปหนุ่มก็รักาพามเหมือนพ่อมีความคิดว่าคุณเราจะช่วยพ่อให้มีความสุขช่วยหาเงินให้พ่อจึงเข้าไปห า, าพามเนี่ยบอกให้ไปท้าเดิมพันกับเศรษฐีว่าโคเนี่ยสามารถลากเวียร้อยเล่มได้ให้ไปเดิมพันสักพันดำลึงเวียร้อยเล่มปรทุกหินเต็มทุกขันรถ ตั้งเรียงแถวกันยาวเหยียดเสร็จีก็นึกอยู่ในใจว่ายังไงก็กินเดิมพันแน่นอนวัวไม่มีปัญญาลากหรอกเพราะว่ามันหนักมากอะ่ะก็ตกลงรับคำท้าพอถึงวันกำหนดนัดนัดเดิมพันเนี่ยพรามณ์ก็จูงโคนันทวิศารเนี่ยไปอยู่หน้าเกวีนเล่มแรกเลยแต่พเพื่อน่ะพรามณ์ปากเสียไปบอกว่าไ อ, โอ้โคทอยโคขี้โกงไปไปรีบ รีบลากเวียนไปเดี๋ยวนี้พูดพูดน้ำเสียงแบบไม่มีหางตวาดฝ่ายโคนันทวิสารเนี่ยรู้สึกเสียใจมากและน้อยใจเพราะตัวเองเนี่ยไม่เคยโกงไม่เคยถอยเป็นโคที่ดีทำไมพ่อถึง่าพูดจาแบบนี้ก็เลยไม่ยอมลากสุดท้ายพามก็เสียเดิมพันให้เศรษฐีไปผ่านํำลึงหลังจากวันนั้นพามกลับบ้านไปก็เครียดคือก็ทุกข์มากอะ่ะเพราะเงินก้อนใหญ่ เสียดาเงินที่สูญเสียไปเสียความรู้สึกด้วยหลังจากนั้นหลายวันโคดันทวิศารเนี่ยก็สงสารพามผูเบ็นพ่อจึงเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าพ่อเดิมพันกับเศรษฐีครั้งห น, น, นึ่งพามได้อยู่นั้นกตะวาดอกครั้งก่อนอะ่ะก็พระเจ้าเป็นเหตุได้แหละเจ้าอยากให้ฆ่าหมดขึ้นหมดตัวหรือไงโคก็บอกว่าครั้งก่อนเนี่ยพ่อพ่อน่ยพูดจาทําร้ายน้ําใจของข้าก่อน เพราะว่าค้าโกงค้าถอยค้าก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะลากเวียนแต่ถ้าเพราะวันนั้นพ่อพูดดีๆก็สามารถลากเวียนได้สบายแต่ครั้งนี้ให้พ่อเนี่ยไปท้าเดิมพันกับเศรษฐีสองพันตลึงว่าโคเราเนี่ยจะลากเวียนได้ห้า้อยเล่มเกวียนขอให้ลองอีกครั้งในขะอให้พ่อเชื่อใจของข้าพามจึงตัดใจ ย, ยอมเชื่อใจโค อ, อีกครั้งหนึ่งเข้าไปเดิมพันกับเศรษฐี โดยเพิ่มเติมพันเป็น2 0 0พันดลึงแล้วเพิ่มเวียนเป็นห้าร้อยเล่มปะทุหินกับก้อนกวดเต็มทุกคันเศษถีก็ดูถูกพารามเหมือนเดิมแหละ ว, ว่ายัางไงก็กินเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ร้อยเล่มเวียนยังไม่ไปยาลากเลย5้า้อเล่มเวียนจะลากได้ยังไงกินแน่นอนวันนั้นก็มาถึงพารามก็นำโคไปอยู่ข้างหน้าแล้วก็พูดกับโคเพา ะ, พาะลูกเอ๋ย ลากเกวียนไปเธอช่วยลากเกวียนให้พ่อด้วยพอมหาจำเริญอะไรเงี้ยพูดทํานองเนี้ยโค น, นั้นทวิสารพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ลากเกวียนเนี่ยทะเยอนห้าร้ยเล่มเกวียนเนี่ยสบายเลยเพราะตัวเองมีกําลังมหาศาลอยู่แล้วแล้วก็ทําให้พามพูดพ่ดพอเนี่ยชา้าเดิมพันุ์อันนี้พ่อพูดดีเป็นสีกค่ปากถ้าพูดไม่ดีเนี่ยปากก็มีสีแล้วก็ทําให้เสียหายได้นิทานเรื่องนี้ก็มีแง่คิดนะ ทุกคนชอบให้คนเนี่ยพูดดีให้กำลังใจสังเกตคนที่พูดจาอ่อนหวานเขาแล้วพูดยาอ่อนน้อมไม่ทาร้ายน้ำใจคนอื่นเนี่ยจะมีคนรักแต่ถ้าคนได้หยิ่งพูดจาทลายจิตใจเพื่อนทารายจิตใจคนนู้นคนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครรักหรอกนีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยอั้นลูกเดงก็จงดูโค น, นันทวิสาลเป็นตัวอย่างเอาไปใช้กับชีวิ ต, วตประจําวันได้เราวพูดจาเพ้อเพ้ น้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ดือ้อเราก็มีคนรักเราก็มีคนช่วยเหลือเรามาอิทัยอีกเรื่องหนึง่งมีลูซีอยู่ตนหนึง่งลูซี่ตนนี้ยเวลามีอาหารเหลือก็จะแบ่งให้ให้เฮียกินด้วยเฮียก็ยอยู่ ใ, ใกล้อแหละเฮียไม่ใช่ขับหยาบนะก็เป็นตัวเงินตัวทองถ้าหลวพ่อผู้ตัวเงินตัวทองเดี๋ยวลูกเรีง ง, ง, งถือว่าใช้ขัาว่าเฮียไปก็ละกันพเพราะเฮียเป็นสัตว์ชนิดหนึง่ง ไม่เกี่ยวอะไรกับคนหรอกคนชอบไปตั้งว่าเฮียไม่ดีที่จริงมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเฮียก็เป็นสัตว์น่ารักหรอกไม่ใช่สัตว์ร้ายอะไรเฮียก็อาศัยฤษีนี่แหละอาศัยข้าวที่ฤษีกินเหลือแล้วก็มักคุ้นอยู่ด้วยกันมาหลายปีอย่อยอยอยางผาสุกแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีชาวบ้านนําแกงมาถวายฤษีฤษีทางแกงนั้นเสร็จก็มีความสุขอร่อยกับทุกครั้งที่เคยทานเนี่ยอร่อยมาก ก็สงสัยอยู่ว่าเนื้ออะไรวันรุ่งขึ้นก็ไปถามชาวบ้านที่มาถวายว่าเนื้ออะไรเขาบอกเนื้อเฮียตอนนี้ฤ ष ีติดใจเนื้อเฮียแล้วก็ไปเดินขออาหารนั่นแหละก็อยากได้เนื้อเฮียมากินอีกแหละแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ไงไปหลายวันชาวบ้านก็ไม่ได้ม่ได้ถวายเนื้อเฮียด้วยความที่อยากกินเนื้อเฮียมากอยู่วันหนึ่งฤ ष ีไปขออาหารชาวบ้านเนี่ย ก็ไปขอเครื่องแกงขอพริกขออะไรต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวเน่วางแผนว่าชาวบ้านไม่ถวายเนื้อเฮียก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะจัดการเฮียที่อยู่ ใ, ใกล้ๆนี่แหละจะทาจะแกงจะลงมือปรุงเองกินที่สมอยากเลยวันนั้นก็วางแผนไว้หาหาไม้ขนาดเหมาะมือนะแล้วก็ซ่อนไว้ข้างหลังแล้วก็นำมาหารมาล่อเฮียเฮียก็มากิน แต่วันนี้เฮียผิดสังเกตตรงที่ว่าฤ ष ีเนี่ยนั่งหลับตาแต่ทําไมลุกลี้ลุกลนเดี๋ยวหลับตาแล้วลืมตาครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรเงี้ยคือมันผิดปกติอะ่ะมันคล้ายๆทุกวันฤ ष ีจะนั่งสงบไง ห, หลับตาก็หลับไปเลยแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งเฮียกับฤ ष ีตากระจักกันพอดีคือตาคนดางมองอะ่ะเอวันนี้ยังไงกันแน่เนี่ยเฮียคิดในใจแล้วไว้ใจไม่ได้แล้ววันนี้วันนี้ต้องระวังตัวแล้วเข้ามากินอาหารไป ตื่นตัวตลอดหรือสี เ, เห็นเฮียกําลังเผอคิดว่าเสร็จแน่ <Okay. S 1> ก็เลยยกไม้ฟาดเต็มเหนียวเลยเฮียระหว่างตัวแล้วก็โดดหนีลงรูไปแล้วก็ร้องด่าบอกท่านเนี่ย <Okay. S 2> เห็นแก่ติดในรถอาหารจะฆ่าสหายเพราะเห็นแก่อาหารถือสีลหลอกลวงชาวบ้านมือถือสากปากถือศีนเฮียก็ไดก้กหลายคำแหละหลวงพ่อจําไม่ได้ว่าด่าอะไรมั่ง เสร็จแล้วเฮียก็ลงรูไม่มาหาฤาษีอีกเลยเลิกคบต่างโค o ต่างไปเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำตามทาอะไรตามใจกิเลสเนี่ยบางครั้งก็น่ากลัวนะอยากได้อะไรต้องเอาให้ได้คือดิ้นรนเนี่ยอย่างถ้าลุกเนรอยากได้ไ p h ฟ n หกหรือ s ัมซ u n g ก a l a ี่รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยบางทีไปดิ้นรนให้พ่อแม่เนี่ยซื้อมา หรืออยากได้แท็บเล็ตอยากได้อะไรที่แบบเอามาสร้างความต้องการตัวเองอะ่ะหรืออยากได้มอไซกันใหม่อาจจะไปขอพ่อขอแม่ให้ซื้ออะไรเงี้ยบางทีก็ปิดเปลี่ยนท่านแล้วก็บางทีก็หาเงินบางทีก็ลำบากถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ท่านบางทีไม่มีตัตงค์ไม่พอเนี้ยก็ต้องดิ้นรนมาให้เราอาคาทําให้ให้เราก็ทุกข์อีกเพราะรู้สึว่ถูกขัดใจไม่ได้รังจ่ายปรารถนา พอขังกิเลสเนี่ยก็ให้โทษถ้าเราเป็นทาตของกมาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาจิตใจเราให้เราดินน้นรนให้เราอยากพออยากปุ๊บเราต้องหามาให้ได้พอหาไม่ได้เราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นลูกเดก็ต้องมามาปฏิบัติธรรมนี่แหละประเรธรรมะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยตกเป็นธาตของความอยากบางครั้งอาหารเราจะได้สมปรารถนาบ้างบางทีก็ไม่สมหวังหรอกบางทีก็ทางโรงครัวก็ทําให้เราอย่างหนึ่งเราชอบอีกอย่างหนึ่ง เียวเรื่องไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยากให้เขาทําให้ตามใจเราเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างไม่ขอไม่เที่ยงบางวันก็มีกินอาหารเหลือบางวันก็อดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวางใจไว้อะไรก็ดีเนาะอยา่างที่หลวงพ่อพูดวันนั้นแหละอันนี้ช่วยได้ถ้าลูกเรนอะไรเกิดขึ้นก็ดีเนาะอาหารไม่ถูกปากก็ดีเนาะรออะไรช้าก็ดีเนาะถูกพี่เลี้ยงดา่าถูกพี่เลี้ยงดุ ก, ก็ดีเนาะพวก หลวงพ่อหลวงพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงลูกเนรเนี่ยเขาเสียสละนะเพราะการที่ไปอยู่หัดเด็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องสบายเลยเขา้อเสียสละความสุขส่วนตัวพักผ่อนก็ไม่ค่อยจะพอบางทีนอนก็อาจจะดึกตื่นก็ต้องเช้ามาห่วงดูแลลูกเนรถ้าลูกเนรทําให้เขามีความสุขได้ก็คือเป็นเด็กดีแหละเป็นเด็กดีปุ๊บเนี่ยพวกหลวงพ่อหลวงพี่ก็มีความสุขแล้วมีกำลังใจแต่ถ้าลูกเนรดื้อเอาเด็ใจตัวเองสอนก็ยาก พูดไปเชื่องเนียเขาก็หมดกำลังใจเพราะแต่ละคนมาช่วยเนี่ย <c oughs> ก็ไมไ่หวังผลตอบแทนอะไรเลย <c oughs> มาช่วยได้ใจใเฉยคือจิตอาสาลูกเี้ก็ต่อไปก็ต้องเป็นเด็กดีนะเด็กดีเชื่อครูบาอาจารย์แล้วก็เต็มใจจะรับการเรียนรู้ต่างๆที่พี่เลี้ยงครูบาอาจารย์สอนให้ภายภางหน้ามึนึกขึ้นมาทีไรอันนี้จะเป็นรอยความทรงจาตลอดไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ลุงเรนมาบวชวัดป่าสุโกตโตมาเจอสิ่งดีๆมาเจอสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเอาติดตัวไปใช้พอรู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเป็นอกุศลเนี่ยเราก็ไม่เอาเพื่อนชวนไปกินเหล้าชวนไปดูบุหรีชวนไปเล่นการพนานชวนไปเล่นเกมชวนไปเที่ยวเตะชวนไปเที่ยวโพจอเนี่ยเราก็อย่าไปเรารู้ว่าสิ่งนี้ไปแล้วเสื่อมหรือเพื่อนชวนให้ขี้เกียจ ขี้เกียจนี่มีหลายอย่างนะขี้เกียจทํามาหากินเดี๋ยวก็ร้อนก็อ้างว่าร้อนเดี๋ยวก็หนาวก็อ้างว่าหนาวอ้างไปเรื่อยเปื่อยแหะคนเราจะมีข้ออ้างตามจิเีเนตเรามาฝึกตัวเองเนี่ยก็เพื่อเป็นคนใหม่ให้มีคุณภาพขึ้นพอเป็นคนใหม่ปุ๊บภายภาคหน้าเรียนก็ประสบความสําเร็จทํางานก็ไม่ใช่เป็นคนหล่อแหละทําอะไรแล้วสักพักหนึ่งก็เลิกทิ้งเป็นคนทําอะไรก็ครือกลาง หาความแม่นอนไม่ได้หลวงพ่อรู้จักคนหลายคนนะที่ว่าเป็นคนที่น้อยใจเป็นคนที่จิตใจไม่มั่นคงเนี่ยพอใครชักชวนไปทําอะไรอื่นเนี่ยเลิกเลยคือว่าเป็นคนที่เอาดีไม่ได้อะทั้งทางโลกก็ทางธรรมเป็นคนเหลียวไหลลูกนี่ก็เห็นทั่วก็อย่าเป็นคนเหลยวไหลเรียนก็เรียนสาเร็จทํางานก็ทําให้สําเร็จความพยายามคือความสาเร็จแต่ถ้าเราเป็นคนที่ขาดเท้ากับทอนเนี่ยเราทําอะไรก็ไม่สำเร็จหมดแหละ พอเราทําอะไรสําเร็จเนี่ยพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยลูกเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างมิทายอีกเรื่องหนึง่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวสารหรอกหลวงพ่อเห็นว่าเวลาพอเราให้เด่นฟังเนีอีกเรื่องหนึง่งมีชายคนนึง่งชายหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ชอบเล่นเกมมีชีวิตใจขอเงินพ่อแม่ใช้ไม่ชอบทํางานทําการวันวันหนึ่งเนี่ยเล่นแต่เกมตั้งแต่เช้ายันมืดพักผ่อนก็ไม่ค่อยพอถึงเวลาก็ไปขอเงินพ่อแม่ จะใช้ชีวิตยอยู่อย่างเงี้วันแล้ววันเล่าแล้วอยู่ว่าวันหนึ่งขณาดที่เล่นเกมอยู่นั้นน่ะด้วยความที่พักผ่อนไม่พอคือทําหัวใจเนี่ยวายฉับพลันแล้วก็เสียชีวิตทันทีหน้าหน้าตู้เกมนี่แหละขาดได้เสียชีวิตวิญญาณก็ออกจากล่างไปวิญญาณก็ร่องรอยไปไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้ใหญ่โตมโหฬารเลยผู้เฝ้าสถานที่ก็เชื้อเชิญบอกที่นี่ยินดีต้อนรับท่านที่ ชอบความสะสบายที่รับรองว่ามีท่านทุกอย่างมีมีหนังมีเพลงมีเกมมีทุกสิ่งที่สร้างความบันเทิงให้ถ้าท่านไม่ชอบทำงานขอรับรองว่าที่นี่ไม่มีงานให้ทำช้ยหนุม่มหูได้ยินอย่างนั้นดีใจมากเลยเพราะนี่คือโลกในฝันเลยจึงอยู่ที่นั่นแหละวันวันหนึน่งชายหนุ่มก็เล็ดดูหนังฟังเพลงเล่นเกมชีวิต บนเวียนซ้ำซ้ทต้งยากอยากกินอะไรก็มีให้กินสามเดือนผ่านไปชายหนุ่มตัว น, นี้เริ่มเซ็งแล้วรู้สึกเบื่อมากเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําอ่ะอยากทํางานแล้วเข้าไปขอผู้ดูแลสถานที่บอกมีงานอะไรผมทํำไหมครับผู้ ด, ดูแลสถานที่บอกว่าไม่มีพูดแบบตวาดตวาดชายหนุ่มก็ไม่รู้ทําไงก็ไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงต่อไปกาลเวลาผ่านไปอีกสามเดือนตอนนี้ชายหนุ่มหงุดหงิดมากเลยเพราะว่า รู้สึกว่ากินมากเกินไปก็อ้วนนอนมากเกินไปสมองก็เฉยชามึนงงเล่นเกมดูหนังฟังเพลงมากก็รู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่มีคุณค่านะ่ะไม่มีความสร้างสารรค์เลยไ ม, ไม่ไม่พัฒนาตนเองจึงเข้าไปหาผู้คุมอีกครั้งหนึ่งบอกผมทนได้ไหวแล้วมีงานผมมีงานอะไรก็ได้ผมทาบ้างเม่อันผมไปตกนรกดีกว่าผู้คุมก็บอกว่า และเจ้าคิดว่าที่นี่คือสวรรค์เหรอที่นี่แหะคือนรกนรกสํารับคนีขี้เกียจการที่ตกนรกตกองปีต้นต้น ง, งิ้วต้ตกกระทะองแดงเนี่ยก็ยังไม่ไ ม, ไม่ทำร้ายจิตใจเท่ากับนรกสรํารคนีขี้เกียจเพราะว่าทําให้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโรมการไม่มีความคิดสร้างสารรค์อยู่ไปแบบไร้คุณค่าทําให้ชีวิตแต่ทรมานให้ลูกเด็สังเกตนะคนที่มีงานทําเนี่ยคนที่ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยจะอยู่มีความสุขเพื่อนก็รักอยู่ที่ไหนก็อยู่แบบ คล้ายๆว่าเข้าหมู่แบบอ่านหาน่ะผิดจาคนที่หลบหลีกขี้เกียจใช้ชีวิตแบบเอาเปรียบเพื่อนอันนั้นอยู่แบบไม่ภาคภูมิใจเลยคุณค้างคนอยู่ที่งานอยู่ที่ทำประโยชน์ตัวประโยท่านลูกนี้จะจำไว้เลยตลอดชีวิตถ้าเราทำประโยชน์ตัวประโชนท่านปุ๊บเนี่ยแล้วอยู่บ้านพ่อแม่ก็ปลื้มใจเราเราไปทํางานนายจ้างก็เชื่อถือเราเราเป็นพระ โยมก็โยมก็โยมก็วางใจเรามองก็เราเป็นพระที่ดีไม่เกเรเราไปอยู่เราก็มีความสุขแต่ถ้าเราเป็นคนที่เหลวไหลเนี่ยอยู่บ้านพ่อแม่ก็ไม่เชื่อถือญาติพี่น้องก็ไม่เชื่อถือไปทํางานในจ้างก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไล่ออกแล้วอยู่ไปก็เกะกะเป็นพระเพื่อนก็รู้สึกว่าเกะกะวัดเดี๋ยวก็บีบให้ไปอยู่วัดอื่นอยู่ไปก็ไล่ฆ่าอยู่ไปก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอะไร เดี๋ยวก็ปรุงแต่งต่างนานาะเอ๊ะจะมีคนคิดเร า, า, า, า, าอย่างนี้ไม่น้อจะมีการคิดเราอย่างนี้ไม่น้อจิตมันขาดความมั่นใจตัวเองเพราะฉะนั้นลูกเรก็ต้องพัฒนาตนเองแหละถ้าลูกเรจะติดตามดูข่าวก็ไปดูในเฟซบุ๊กได้เพจของหลวงพ่อก็มีอยู่4เพจวัดป่าสุโกโตธรรมชาติที่พักใจวัดป่าสุโกโตเพื่อธรรมะและธรรมชาติพัสุรินก่อนการคิดเซนสุโกโต แล้วก็เพจที่เป็นเป็นศาส์ธรรมิกันก็มีมีวิชัยนาภัวพระนบธีรวโลวัดภูเขาทองบ้านท่าไฟหวานแล้วก็แล้วก็อีกหลายท่านหลวงพ่อโก้หลวงพ่อช้างมีเฟซบุ๊กหมดแหละหลวงพ่อไอ้เนี่ยอันลูกเนนก็ดูดูข่าวสารได้เขาจะเอาลูกของลูกเนนเป็นลงให้พ่อให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุขเห็นเห็นลูกมาบวชเนแล้วมีสิ่งดีๆทา ติดตามข่าวสารได้สิ่งดีก็มีมากมายเราก็เลือกเอาแล้วกันสิ่งไม่ดีเราก็ทิ้งไวอ้อย่าเก็บเอาไว้เก็บสิ่งดีไว้เพื่อไปรอยแข่งควาพรงจำหลวงพ่อพูดมาก็สมควรกับเวลากอให้ลูกเนรแล้วก็ศีจลจริตนียาติธรรมมีความสุขความเจริญทำขึ้นยิ่งขึ้นไปขอจบเงแค่นี้